พวกลูกหาพยอยแบกของปีนป่ายขึ้นไปก่อนโดยการนาหน้าของบุญคำซึ่งรู้แนวเส้นทางตามนักแนะไว้ก่อนแล้วเครื่องมือในการไต่เขาเริ่มนําออกมาใช้อีกครั้งเหมือนเหมือนเมื่อตอนตัดขึ้นหน้าผาก่อนจะบ่ายหน้าเข้าสุปโป่งน้ำรอ้อนเมื่อ 3-4 มสี่วันก่อน กลุ่มนายจ้างคอยดูแลควบคุมและตามไปเบื้องหลังอย่างระมัดระวังบุญคำเองมีวิทยุคอยรับคำสั่งรบพิ์อยู่ตลอดเวลาที่จะให้เบี่ยงอ้อมหรือบ่ายเบนไปในเส้นทางใดอันเขาพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยและเสี่ยงน้อยที่สุดตัวจอมพลเองขณะนี้เดินอยู่รั้งท้ายสุดเพื่อจะได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของตละคนได้ อย่างถนัดโดยตลอดส่วนฝ่ายนายจ้างอเมริกันและเชิดวุฒนั้นไตาทางเกาะกลุ่มกันขึ้นไปโดยมีคริสติน่าซึ่งคงจะเป็นด้วยความมุมาณนะหรืออะไรก็ตามทีในกลุ่มของหล่อนนั้นหล่อนเองไต่ตามติดหลังขบวนลูกหาคู่ลาหลังสุดคือคู่ของอูทะและพัโต้กา ร, รียงอาสาสมัครที่ขอติดตามมาด้วยในครั้งนี้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 เรือรากไม้ที่งอกแทกหินอยู่ทั่วไปขึ้นไปก่อนบางตอนเอ็นสูงขึ้นไปประมาณ45องศาในตอนแรกๆต่อมาก็ค่อยๆตั้งชันขึ้นทุกขณะกลายเป็น60แล้วก็70องศายิ่งมุมเงยสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องระมัดระวังตัวและปีนป่ายกันขึ้นไปด้วยความลำบากและออกแรงเหนื่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้น ไต่ขึ้นสูงพบตับตะพักไหลาทางอันพอเป็นที่อาศัยพักหยุดรอกันได้เป็นช่วงๆระยะระยะไปแล้วก็เริ่มต้นไตขึ้นกันต่อไปอ้อมขคดชะโงกหินใหญ่บ้างตัดทางมุดเข้าไปในช่องเขาหินทะลุเป็นโพรงปล่องระยะสั้นๆบ้างความเหน็ดเหนื่อยมาหาหินของเส้นทาง ทำให้ทุกคนจงไม่ได้ว่าผ่านแกงแง่โคถินหรือโพรงชะ ง, งอนมาแล้วกี่แห่งกี่ตอนพวกสัมภาระนั้นพอยิ่งสูงขึ้นไปก็เริ่มจะมีการผูกเชือกชักลากสําหรับสิ่งที่ไม่สําคัญและทนทานต่อแรงกระทบกระแทกได้และชักรอบสําหรับอุปกรณ์ที่จะกระทบกระทั่งสับเหนไม่ได้กันบ้างแล้ว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 เซยและจันก็ให้การร่วมมือได้ชนิดเป็นทีมเวิร์กอย่างยอดเยี่ยมแสดงถึงความคุ้นเคยที่ผ่าน ง, งานร่วมกันมาแล้วอย่างดีพวกนั้นคอยประกบคุ้มพวกลูกหากและคอยช่วยเหลือในการลำเลียงของอยู่ตลอดเวลาในช่วงของเส้นทางตอนไหนที่วิบากมากไม่มีใครเอาเปรียบปีนไตนำตัวเองขึ้นไปตามลำพังโดยทอดทิ้งพวกลูกหักให้ต้องทุลักทุเล อยู่กับสังภาระที่ต้องแบกหามนำขึ้นไปด้วยเหล่านั้นเลยเห็นการทำงานของพวกนั้นแล้วฝ่ายนายจ้างอเมริกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็นึกชื่นชมนิยมอยู่ในใจตัวหัวหน้าคือระพินนั้นมิใช่จะสามารถแต่เฉพาะการเป็นมักคุเทศนำทางหรือหลักประกันในความปลอดภัยของทุกคนในคณะ แต่ประการเดียวเท่านั้นการคุมทีมงานของเขาและการประสานงานในหน้าที่ของพรานทั้งสี่ของเขาจัดได้ว่าวิเศษสุดเชิดวุฒนั้นด้วยความเป็นห่วงและด้วยใจที่พะวงอยู่ก่อนแล้วเขาติดหลังคริสติน่าไปอย่างกระชันชิดโดยปล่อยให้สแตนลีคิดและอิสเบล ร, รวมกลุ่มกันอยู่เบื้องหลัง คอยดูแลระ ม, มัดระวังเป็นพี่เลี้ยงและเตือนแม่ผมทองอยู่ตลอดเวลาเพราะเกรงจะพลาดพลั้งแต่ลํำพังตัวเขาเองจะช่วยอะไรได้มากนักในเมื่อเส้นทางชนิดนี้ลํำพังตัวเองก็แทบจะเหลือรับประทานแล้วทุกคนเหนื่อยกันจริงๆในการปีนป่ายไปตามชะง่อนหินซึ่งแบบนี้ถ้าจะเลี้ยวกลับลงมามองข้างล่าง ก็จะเห็นท้องทุ่งและตีนเขาอยู่ต่าลิบลิบ ล, ลงไปและจะทิ้งห่างไกลขึ้นไปตามลำดับภาพที่มองกันจากข้างล่างนั้นมันกินตามากเพราะดูแล้วไม่น่าจะลาบากยากเย็นอะไรนักแต่พอมาปีนกันจริงๆกว่าจะไต่ผ่านกันขึ้นได้ทีละขั้นทีละตอนของไหล่ผากำลังขาไขาข้อไม่ว่ามือและเท้าแทบจะหมดสิ้น เนื้อออกโสมกายจนเปียกชุ่มเหมือนอาบน้ำอาปากขอบกันราวกะหมาหอบแดดโดยเฉพาะพวกอเมริกันหน้าแดงเป็นกุ้งเผาไปเลยกระพินคงตามหลังมาเป็นระยะระยะอยู่เช่นเดิมและทุกคนก็เข้าใจดีว่าเหตุใดเขาจึงต้องคอยระวังหลังอยู่เช่นนั้นเพราะจะต้องอำนวยการในด้านนำคณะทั้งหมด ให้ขึ้นไปตามแนวทางที่เห็นว่าปลอดภัยที่สุดและปรึกษาทางวิทยุกบุญคำอยู่แทบตลอดเวลาเหมือนกับว่าจะตัดขึ้นทางด้านไหนเพื่อให้สะดวกที่สุดหนทางจึงต้องอ้อมเลี้ยววนซ้ายเวียนขวาอยู่ตลอดเวลาเป็นไงบ้างครับทุกท่านเสียงระพินถามออกมาจากเครื่องรับวิทยุของทุกคนซึ่งขณะนี้แม้จะเหน็บเอวอยู่ ก็เปิดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะพูดติดต่อกันได้เพราะเส้นทางเดินเรียงแถวกันขึ้นไปเหมือนงูกินหางเว้นระยะกันห่างกันเป็นกลุ่มๆช่วงๆยอมรับว่าเต็มกลืนทีเดียวระพินเสียงตอบหอบๆ อ, ออกมาจากสแตนลีย์เพราะคีดเบร์ Bear, และคนอื่นๆเหนื่อย จ, จนพูดไม่ออก ช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบค่อยๆขึ้นไปยิ่งออกแรงมากก็จะยิ่งเหนื่อยการเกาะแง่หินเงี่ยวกิ่งไม้หรือรากไม้ขอยสังเกตพวกพลานของผมก่อนนะครับว่าเขาใช้ยึดตรงไหนวิฉะนั้นมันอาจจะไม่มั่นคงพอแล้วก็หลุดกลิ้งลงมาได้เขาบอกขึ้นไปด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแล้วฟังดูอบอุ่นที่สุด และนี่ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ทั้งคณะเคลื่อนไหวคืบหน้ากันไปได้อย่างเช่มช้าที่สุดพวกลูกหาบนั้นมือตีนเหนียวราวกระตุกแกและที่เห็นว่าแต่ละคนทรหดผิดมนุษย์มนาที่สุดก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้ขึ้นไปลำพังตัวเปล่าๆแต่ยังมีภาระต้องประครับประคองนำหีพอสัมภาระขึ้นไปด้วย แต่ละคนก็ไม่ใช่รูปร่างใหญ่โตแข็งแรงอะไรนักตรงข้ามเกือบทั้งหมดรวมทั้งอูฐและพาโต้รูปร่างผอมเกรงในลักษณะเหมือนคนขาดอาหารแต่คนเหล่านี้เกิดมาเหมือนจะเพื่องานนี้โดยเฉพาะทุกฝ่ายนายทุกฝ่ายทุกคนฝ่ายเมริกันจึงได้ความรู้แน่นอนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งว่ารูปร่างลักษณะร่างกายของมนุษย์เหล่านั้น ไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าใครมีความชำนาญอย่างใดหรือฝึกฝนอบรมเคยชินมาอย่างใดเท่านั้นคิดนะ่ตัวราวกระยักษข่อลำก็นักมวยปล้ำเราดีๆนี่เองแต่ในภาวะเช่นนี้นายนั่นดูเหมือนจะแทบหมดเรี่ยวหมดแรงก่อนทุกคนในภาวะที่ต่อสู้กระแรงดึงดูดของโลกเช่นขนาดนี้ ไม่มีสัตว์ใดที่จะผ่านมาให้เห็นเลยแม้แต่เงาในเส้นทางที่ไต่ชะง่อนหินหน้าผาสูงๆต่ำๆเหล่านั้นขึ้นไปอาจพบเห็นบ้างก็มูลของเลียงผาซึ่งก็ไม่บ่อยนักและทุกคนก็ไม่สนใจที่จะสังเกตดูเนื่องจากความเหนื่อยนอกจากเกิดผู้คอยช่วยเหลือคู่ของอูฐะและพระโตสกิดชี้ให้เชิดบุตรเห็น ก็อาจจะมีเสือดาวบ้างเหมือนกันแต่เรามากันเป็นขบวนมากๆแบบนี้มันไม่โผล่ให้เห็นกนกนายทหารเกิดบอกหืมไอช้างนรกโขงนั้นละคอยดักอยู่ข้างบนนักขินลงใส่แล้วแล้วก็ผู้มีประเทศแบบนี้เราไม่มีทางหลบได้เลยนะนอกจากตกเขากันหมดนายทหารหนุ่มพูดออกมาอย่างยากเย็นป้ายแขนเช็ดเหงือ่อ ่านท้ายไรเฟิลของเขาในขณะ น, นี้ถูกนำมาใช้แทนไม้ค้ำถอพยุงร่างแล้วครับหน้าผาตอนนี้นะ่ะชันมากครับแต่ช้างมันขึ้นมาไม่ได้หรอกนายทหารแล้วแง่า ห, างงหินแถบนี้ก็เป็นหินเปราะช้างมันรู้ว่ารับน้ำหนักตัวมันไม่ไหวเกิดให้คำรับรองเกิดตัดกังวลหวาดระแวงของเชิดบุตร คริสติน่าคงไม่พูดอะไรอยู่ตามเดิมหลอนไตตามเส้นทางของเกิดไปอย่างชนิดซ้ำรอยทีเดียวโดยไม่แยกไปทางอื่นและอยู่สูงกว่าเชิดบุตรประมาณหนึ่งช่วงตัวสแตนลี Stanley และคิดผู้ใช้ไรเฟิลใหญ่ขนาดหนักบัดนี้ก็มีอาการเดียวกับเชิดบุตรและเช่นกันคือใช้พานท้ายปืนช่วยยันเสียงระพินจึงดังเตือนขึ้นมาอีกว่า ระวังเรื่องไรเฟิลนะครับถ้าจะใช้ยันพื้นแบบนั้นน่ะขอให้ทุกคนถอดกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงออกซะก่อนนัดที่อยู่ในรังเพลิงก็ขอให้เอาออกซะด้วยทุกคนของฝ่ายนายจ้างเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเข้าใจในคำเตือนของเขาใครที่บรรจุลูกไว้แล้วแต่เข้าห้ามไกลหรือใช้วิธีลดนก จึงเปิดลูกเลื่อนถอดกระสุนนับที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิงออกเสียบในรังกระสุนตรงอกเสื้อไว้หรือเฉพาะที่บรรจุอยู่ในแมกกาซีนโดยยังไม่ส่งลูกขึ้นลำส่วนเอ6มซบกภาพฐานอันเป็นปืนน้ำหนักเบาซึ่งคริสติน่าและเบลใช้สะพายอยู่ก็ถูกเตือนมาให้ตรวจสอบคันห้ามไกลซึ่งก็ปรากฏว่าของเบลแงหินหรือรากไม้ก็ไม่ทราบ เกี่ยวคันห้ามไกให้เบนมายังตำแหน่งฟูลออโต้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอตรวจพบปลอนก็ตกใจรีบเข้าห้ามไกตามเดิมทันทีพร้อมกับถอนใจเฮือกพูดเบาๆกับพักพวกว่คนคนนี้นี่เหลื อ, อร้ายจริงๆอ่านอะไรต่ออะไรของพวกเราออกหมดทุกภาวะทุกเหตุการณ์เป็นคนที่หน่วยเหนือของเราเฟ้นเลือกไว้ให้แล้วนี่ สเตลีบอกกับบุคคลใต้บังคับบัญชาของเขาสั้นๆ3คนของชุดนั้นประกอบด้วยหัวหน้าคณะคริสและเมลซึ่งเกาะกลุ่มกันไปใกล้ชิดที่สุดค่อยๆช่วยกันฉุดช่วยกันประคองหรือดึงกันขึ้นไปกลุ่มหนึ่งเชิดวุฒคริสและเกิดก็พยุงกันขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่ง ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกกันว่าเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวของการเดินทา ง, ท, างทั้งที่ดูแต่แรกขณะอยู่เชิงเขาต่างก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะักระยะประมาณไม่เกิน30มเมตรจะถึงบริเวณหน้าผาชันที่ขวางอยู่เบื้องหน้าแล้วขนทางก่อนจะเข้าถึงตีนผานั้นเป็นแนวไหลของน้ําฝนแต่บัดนี้แห้งผากพื้นอุดมไปด้วยก้อนกรวดเล็กๆใหญ่ๆ และมันเทลาดในมุมที่สูงไม่น้อยทีเดียวบุญคำตีมือบอกพวกลูกหาบให้พยายามเลี่ยงอ้อมเส้นทางนั้นออกไปทางด้านขวามือซึ่งมีต้นไม้เล็กๆงอกอยู่ปรัปรายอุดมไปด้วยโขดหินใหญ่น้อยส่วนคริสตินาหยุดพิจารณาดูเส้นทางที่จะเข้าไปยังโคลผาตอนนั้นหลอนรู้ดีว่ายิ่งอ้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเวลาและเหนื่อยหนักเข้าไปเท่านั้นแล้วก็รู้ด้วย ว่าพวกลูกหาจ้ำเป็นจะต้องอ้อมทางเพราะไม่สะดวกต่อภาราที่แบกหามอันอาจทำให้ถลัยลื่นได้นั้นเส้นทางที่หล่อนมาหยุดยืนดูอยู่เชิดบุดเดินตามขึ้นมาทันและหยุดหายใจตัวโยนอยู่พร้อมกระแตะแขนแม่ผมทองคริสตีออกขวาตามหลังพวกลูกหากไปเหอะแต่คริสติน่าสั่นสีสัก บุยปากให้ดูเส้นทางขึ้นอันมองเห็นอยู่โล่งๆลงใกล้ๆมดุดพวกเราตัวเปล่ากันทั้งนั้นน่ะอย่างมากภาระที่ถือก็แค่ปืนฉันว่าเราค่อยๆไปขึ้นไปตามทางน้ำไหลนี่ดีกว่านะมันจะถึงเร็วกว่าพวกนั้นเราไปถึงก่อนก็จะไปรอพวกเขาหยุดลงตีนผานั่นฉันฉันไม่อยากอ้อมีแล้วความไม่รู้ภูมิประเทศ และความไม่ค่อยจะเดียงสากับป่าดงพงไพรมาก่อนของเชิดบุตรทำให้เขาไม่ระแวงเฉลียวคิดอะไรทั้งสิ้นตลกลงงั้นผมนำเองคุณคอในตามหลังไว้แล้วกันว่าแล้วเชิดบุตรก็งงงมตัวไปเบื้องหน้าต้านกระแรงฉุดดึงของโลกแล้วค่อยๆตะกายขึ้นไปยังทางโรยกรวดโล่งโลกเรากับใครจะตัดเป็นถนนอย่างดีไวให้นั้นทันทีโดยมีคริสตินาไปตามหลัง เชือดวุฒนั้นพอกเก้าขึ้นไปได้สามสี่เก้าพื้นกวดก็ร่วงพรูลงแล้วแต่ไม่มากนะักปลายรองเท้าของเขาจิกเอาไว้ได้ยังพื้นแข็งที่รองอยู่ภายใต้และส่งพานท้ายปืนไปให้คริสตินา่าเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องยึดดึงตัวขึ้นมาแ ต, แต่แค่อาสัยพยุงตัวไว้เท่านั้นนะคริสอย่าชุดแรงนักนะเดี๋ยวเสียหลักลงมาด้วยกัน เขาบอกมาเบาๆคริสติน่าเอื้อมมือไปควา้าพานท้ายไรยเฟิลของเชิดบุตรที่ยื่นส่งมาให้อีกมือเกาะพื้นที่หาความมั่นคงอะไรไม่ได้เลยนั้นค่อยๆพยุงกายขึ้นไปทั้งๆ ท, ท, ที่โดยแท้จริงหล่อนก็อ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนอยากพักผ่อนมากที่สุดระวัง ใหญ่ร้องตะโกนขึ้นมาสุดเสียงคราวนี้ไม่ต้องใช้วิทยุแล้วเพราะเสียงร้องลั่นภูเขาอันเงียบสงัดของเขาและตัวเองก็กระชั้นไล่หลังทุกคนขึ้นมาใต้โดยไม่เว้นระยะห่างเกินไปนักแต่มันช้าไปซะแล้วพร้อมๆกับเสียงตะโกนของเขานั่นเองคริสติน่าผู้กำลังไต่ขึ้นก็ถลายพรวดเสียหลักรูถอยลงมามือหล่อนที่จับพานท้ายไรเฟิลของเชิดบุตรจึงกลายเป็นกระชาก ดังนั้นเชิดวุฒซึ่งอยู่ในลักษณะยืนกึ่งตะแคงกึ่งเหลียวหลังอยู่จึงสีสักปักลงมาแล้วก็ไม่ได้ปักไปไหนหากแต่ชนปะทะเขกับคริสติน่าผู้กําลังเอาอกครูดอยู่กับพื้นกรวดนั่นเองโดยความสูงชันของพื้นที่โดยพื้นอันเป็นกรวดที่หาความมั่นคงไม่ได้โดยการฉุดชักของกันและกันตับการชนปะทะกันเอง ทั้งสองจึงอยู่ในสภาพเหมือนลูกขนุนกลิ้งกระจัด ก, กระจายลงมาตามเส้นทางที่ไต่กันขึ้นไปได้ราวสิบเมตรนั้นท่ามกลางเสียงร้องลั่นยังตกใจของหัวหน้าคณะนะคิดและเบลผู้มองเห็นอยู่ตาตาซึ่งซึ่งหน้าห่างขึ้นไปเพียงแค่ไม่มากนะักทุกคนเห็นชัดอยู่ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าฝั่งซ้ายของถนนกรวดสายนั้นว้าวตัดลงไปเป็นลักษณะหุบเหว แล้วร่างของเชิร์ตวุฒกับคริสติน่าที่กลิ้งคลุกคลีงลงมาด้วยกันนั้นก็กลิ้งลงมาทางแถบด้านเหวนั้นสตลลีคีตและเบรอ้าปากกว้างด้วยความตกใจแต่ไม่มีเสียงใดๆที่จะหลุดรอดลำคอออกมาได้ในภาวะเช่นนี้ภาพที่ทั้งสามเห็นมันห่างสูงขึ้นไปเพียงแค่เจ็ดแปดเมตรใกล้นี่เองเท่านั้น แล้วอเมริกันทั้งสก็รู้สึกว่าใครคนหนึ่งที่อยู่รังท้ายสุดตะกายอย่างรวดเร็วปานการพุ่งขึ้นที่สูงของเสือดาวฉีดร่างอันยืนตะลึงของเขาทั้งสามสวนขึ้นไปกรวดใหญ่น้อยบริเวณที่เทลาชั้นนั้นถล่มพรูและกระจายว่อนไปหมดในระหว่างที่คริสติน่ากระเชิดบุตรกลิ้งลงมาด้วยกันร่างของแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจําคณะก็หลุดแวบลงไปทางเนินผาต เสียกสายมือนั้นจริงๆแต่ข้อมือข้างหนึ่งของหลอนถูกเชิดบุตรคว้ายึดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดเท่าที่กําลังของเขาจะมีได้เชิดบุตรนั้นขณะนี้ก็อยู่ในสภาพพลิกคว่ำหน้าศีษะชงโมกล้ําลงไปส่วนกายของคริสตินาลอยอยู่กลางอากาศแล้วกําลังฝ่ามือของหลอนเองไม่มีแรงพอที่จะจับมือเชิดบุตรไว้ได้ในลักษณะที่โหนตัวอยู่เช่นนั้น นายทหารหนุ่มเป็นผู้ที่ข ย, ยุ้มมือยึดกำไว้เองและจากแนวเทของพื้นที่บริเวณอันปราศจากที่ยึดเหนียวได้มั่นคงนั้นน้ำหนักของคริสตินาก็ดูเหมือนกำลังจะทวงเขาให้ค่อยๆเคลื่อนลงไปทีละน้อยทีละน้อยไรเฟิลของเขาและเอ็มสิบของคริสตินาหลุดกริ่งตามกรวดลงมากองอยู่ยังเบื้องหน้าของพักพวกอีกสามคนที่ยืนตะลึงหัวใจตก ไปอยู่ที่ปลายเท้าบัตรนั้นเองก่อนที่เชิดบุตรจะเสียดุลถลัมต่างลงไปมากกว่านั้นระพินก็โจรขึ้นมาถึงก่อนอื่นเขาทิ้งกายลงทั้งตัวกดน้ำหนักทั้งหมดลงไปบนบั้นเอวส่วนหลังของเชิดบุตรเพื่อยุดตรงไว้ไม่ให้ร่างของนายทหารหนุ่มที่กำลังจะพลอยลื่นหลุดลงไปด้วยให้หยุดอยู่นักที่นั้นยุดแขงขึ้วในั่นที่สุด ยึดแขงไว้รับพินตะโกนลั่นฝ่ายได้รับคำสั่งซึ่งบัดนี้แย่เขี้ยวเอื้อมมือลงไปจับข้อมือของคริสตินา่าผู้ลอยคว้างอยู่กลางเวหาเหมือนนักกายกรรมและสงบตัวเองนิ่งอยู่เช่นนั้นอย่างรู้ตัวเองดีว่าถ้าลอนเมียการแกงหรือไกวตัวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เชิดบุตรไม่ถนัดและเพิ่มน้าหนักขึ้นมากเท่านั้นเชิดบุตรพยักหน้าแทนความหมาย ว่ารับทราบคิดสตอลี่ขึ้นมาเร้วขึ้นมาแล้วช่วยกันรั้งข้อเท้าเช่าพูดไว้รพินหันลงไปตะโกนสั่งเร็วปรือต่อไปและเมื่อ น, นั้นทั้งสามที่มัวแต่จังงังอยู่จึงได้สติไหวตัวขึ้นพร้อมกันต่างตะกายไต่ขึ้นไปแมนนั้นเร็วกว่าสองชายชะกันที่มัวแต่ถลายลื่น อ, อยู่เสียอีกพอาะถือ หล่อนก็ช่วยชุดข้อเท้าของเชิดบุฒิไว้อีกแรงจากนั้นสไตลีและคิีจึงขึ้นมาถืออย่างทุนเรลแล้วกำลังของคนทั้งหมดก็เข้าชุดดึงรั้งตัวเชิดบุฒิไว้ไม่ให้ขยืดเมื่อแน่ใจที่สุดว่าร่างของนายทาหารหนุ่มจะไม่พลอยถูกชุดด้วยน้ําหนักตัวของคริสติน่าลงไปอีกคนแล้วผานใหญ่ก็ถอนตัวออกจากหลังเชิดวุฒเชื่อซึ่งคลองสะพายหล ทำเป็นบ่วงเตรียมไว้ก่อนแล้วย่อนลงไปทันทีตัวเขาก็เลี้ยงลงมาในระดับที่สูงกว่าร่างอันนอนพังภาพของเชอร์บุสเล็กน้อยย่อนสายบ่วงลงไปทันทีแปวงสายบ่วงครั้งแรกมันพลาดจากปลายเท้าทั้งสองข้างของคริสติน่าไปเล็กน้อยแต่พอครั้งที่สองมันก็สวมก็ไปยังเท้าทั้งสองข้างของแม่ผุมทอง ผู้บัดนี้รวบขาทั้งสองให้มันแนบชิดกันปล่อยร่างกายให้โหนติดอยู่กับกำลังข้อมืออันสัน ร, ริของฝ่ายที่ขยุ้มจับแขนไว้ดีสิคริสดันมุกดันมุกระพินรองบอกลงไปคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่งทำตัวนิ่งแข็งเหมือนหุ่นจอมพรานค่อยๆข ย, ย, ยับ กระตุกสายบ่วงให้คล้องผ่านลำตัวของหลอนสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งมันขึ้นมาถึงระดับซอกรักแร้ทั้งสองข้างแล้วจึงกระตุกโดยแรงให้บ่วงรัดไว้ในระดับรอบอกใต้ซอกแขนทั้งสองทันทีกระชากแรงๆอีกสองครั้งเพื่อแน่ใจที่สุดว่าบ่วงจะไม่คลายตัวและคล้องสวมอย่างมั่นคงอยู่ใต้ซอกแขนทั้งสองข้าง โดยไม่คิดไปยึดปลายเชือกไว้อีกแรงหนึ่งเพื่อผมพลาดแล้วเขาสั่งการต่อไปอีกอย่างรวดเร็วทุกคนทางด้านบนดูเหมือนจะเข้าใจสภาพนั้นได้ดีที่สุดนายคีบุกกำยำแข็งแรงแต่ค่อนข้างเชื่งชาก่อนพลังจากการยึดตัวเชิดมุตรทลาไปตะครุบ ป, ปลายเชือกไนล่อนสำหรับไตเขาของเชิดมุตรของระพี โดยเอา ม, ามัดพันกับร่างกายของตนไว้เป็นหลักอีกชั้นหนึ่งพร้อมทั้งเตรียมออกแรงฉุดเป็นด่านสอพอรพินออกแรงดึงรังมันก็เป็นการผ่อนคลายกำลังแขนของเชิดบุตรในทันทีปล่อยมือได้แล้วคุณวุตรปล่อยคางใหญ่บอกแน่ใจนะแน่ใจนะเสียงเชิดบุตรร้องออกมา บอกว่าปล่อยได้แล้วระพินเกือบจะเป็นตาวาดลั่นเชิดบุษจึงปล่อยมือร่างของคริสติน่าถูกรั้งติดกับเชือกที่คล้องไว้ใต้ซอกแขนทั้งสองและไม่ต้องเตือนหรือสั่งการกันอย่างใดอีกเบลกับสแตาลีก็หันมาช่วยกันจับยึดสายเชือกที่ทอดยาวไปเบื้องหลังของระพินอีกสองแรงในขณะที่เชิดบุษยังนอนคว่ำอย่างหมดแรงอยู่เช่นนั้น ทางกันชั่วสองศอกเท่านั้นระหว่างผู้ที่รั้งสายเชือกไว้กับผู้ที่ลอยอยู่กลางอากาศซึ่งเบื้องล่างต่ำลงไปประมาณห้าหกสิบเมตรเป็นยอดหินอันระเกระกะซึ่งเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นสุสานของใครก็ได้ที่ร่วงหล่นลงไปไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามคริสตินาสะบัดเส้นผมเงยหน้ามองดูเขา ขาดที่มือทั้งสองก็จับเส้นเชือกไว้รับพินเหงือแตกซิกร้องลองไปบอกเบาๆว่าโอเคคริสคุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องใช้แรงของคุณไต่เชือกขึ้นมาหรอกพวกเราจะช่วยกันดึงตัวคุณขึ้นมาเองเขาพูดเสียงดังแต่คริสตีน่ากระซิบกลับขึ้นมาว่าปล่อยฉัน ปล่อยฉันหมดจากภาระของคุณไปเสีไม่ดีกว่าเหรอนี่ถ้าคุณจะฆ่าตัวตายก็อย่ามาทำต่อหน้าผมเอาไว้ทำรับหลังรับพินบอกค่วนหนแล้วค่อยๆ อ, ออกแรงสาวดึงตัวแม่ผมทองขึ้นมาในขณะที่พักพวกข้างหลังก็ช่วยกันรั้งปลายเชือกไว้ราวกระชักเยอะร่างของคริสติน่าขยับสูงขึ้นมาทีละน้อย ทีละน้อยโดยเจ้าตัวไม่ได้คิดที่จะช่วยตัวเองอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะปล่อยให้ร่างกายที่ลอยคว้างอยู่นั้นถูกกว้านขึ้นมาอีกจนกระทั่งในที่สุดก็ถึงขอบหน้าผาที่พลัดล่วงลงไปเมื่ออึดใจนี้รับปินสั่งให้ทั้งสามคนที่ยึดสายเชือกดึงชักไวให้ตึงตัวเขาเองรวบใต้ซอกแขนของแม่ผมทองหิ้วกระชากพลัพขอบหน้าผาขึ้นมา นอนขว่ำอยู่บนพื้นระดับเอียงเทนะเสียงที่เอะอะลงเล้งเป็นแจ๊กตื่นไฟฟังสับสำเนียงไม่ได้เมื่อสักครู่ของตอนชุลมุนจึงยุติลงคริสติน่ายังนอนเหมือนจะพักอยู่ตรงนั้นอย่างคนไม่อยากจะเอานิยมนิยายอะไรอีกแล้วสําหรับชีวิตตอนอีกอาการของหล่อนดูเหมือนอยากจะหลับเต็มที ขาลากแม่ผมทองตัวยุ่งอยู่ในหัวใจของเขาขนาดนี้ขึ้นมาได้ในสภาพที่ปลอดภัยแลพินก็ขยายเงื่อนของบวงให้คลายออกแล้วม้วนเก็บเชือกอย่างไม่อยากจะสนใจอะไรอีกหน้าเขาตึงเครียดเก็บเชือกเสร็จก็เดินผ่าจากที่นั่นลงมายังชานพักห่างลงไปเล็กน้อยตำแหน่งที่ทิ้งไรเฟิลของตนเองไว้ก่อนจะแล่นขึ้นมาช่วยกู้สถานการณร์าย ปล่อยให้พักพวกของหล่อนเองแล้วก็เชิญบุตรเข้าไปกลุ่มรุมประคองพูดสอบถามอาการอะไรกันอยู่ตัวเขาเองลงนั่งบนแง่หินสะบัดหน้าอยู่ไปมาครู่หนึ่งทั้งหมดก็ประคองคริสติน่าพากันไต ย, ย้อนกลับมายังตำแหน่งที่ระพินนั่งอยู่อันเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่คริสติน่าและเชิญบุตรจะไต่ขึ้นไปยังเส้นทางอันตราย ขณะ น, นี้พวกการพื้นเมืองของเขาและลูกหาบที่ตีอ้อมไปยังด้านขวามือเลาะไปตามโขดหินซึ่งจะเป็นทางขึ้นที่สะดวกกว่าแม้จะอ้อมห น, น่อยได้รับหายไปหมดแล้วโดยแนวบังของก้อนหินไม่มีใครของพวกนั้นเห็นเหตุการณ์อันน่าวาดเสียวของทางด้านนี้เลยระพินนั่งนิ่งไม่ขยับขยื่น รือสนใจว่าใครจะพูดอะไรทั้งสิ้นอ่อนแรงเปลี่ยใจยแล้วก็หนักอึง้งในสมองสุดที่จะพันนาได้ใครคนหนึ่งวางฝ่ามือแผ่เบาลงบนไหล่ครับพร้อมกับบอกมาเสียงเบาๆว่าไปเถอะเดินกันต่อผู้นั้นคืออิซาเบลน้ำเสียงของหล่อนอ่อนนุ่มอย่างเข้าใจความรู้สึกของเขาดี S <S> พวกคนล่วงหน้าไปก่อนเถอะระพินพูดเสียงแห้งพระาโดยไม่มองหน้าใครสักคนที่มาอยู่ใกล้ๆตัวขนาดนี้อ้อมขวามือเลาะโขดหินตามหลังพวกรานของผมไปนะล้วไปพักกันอยู่ที่เชิงหน้าผาสูงนั่นก่อนเดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปเองขอนั่งพักเหนื่อยก่อนตอนนี้ผมเหนื่อยเหลือเกิน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 ทุกคนเดินกันขึ้นไปหมดแล้วตามเส้นทางของพวกลูกฮะแต่ใครอีกคนหนึ่งครึ่งนั่งครึ่งเอ็นหลังพิงหินอยู่ไม่ห่างเขาออกไปนะักก็แค่สองสามวาเท่านั้นคริสตินาไม่มีใครแม้แต่เชิดวุตที่จะอยู่เป็นเพื่อนด้วยคงทิ้งหล่อนไว้กับเขาเฉพาะตามลำพังเหมือนจะเจตนาฉะนั้น ผมบอกให้พวกคุณทุกคนตามพวกลูกหาบขึ้นไปแล้วนี่คุณยังมานั่งทําอะไรอยู่ที่นี่อีกคริสก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหนืยไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งพักอย่างคุณมั่งไงหล่อนพูดโดยไม่หันมองทางด้านเขาเช่นกันนึกว่าหน้าของคุณอะคิดเบ ร, รแล้วก็เชิดมูดอะ เขาก็ไปกันแล้วไปตามคำสั่งของคุณนั่นแหละก็ทำไมเขาไม่หิ้วคุณขึ้นไปอะ่ะถ้าคุณไม่มีแรงเดินอะ่ะ <_ S 1> ก็อาจาจะเป็นเจตนาที่จะทิ้งฉันไว้กับคุณให้คุณได้ด่าฉันอย่างเต็มที่ละมะ <_ S 1> ผมไม่มีอะไรจะต้องด่าคุณระพินกระชาติหางเสียงถ้าไม่มีก็ขอบใจ แต่ถ้ามีก็พร้อมที่จะรับฟังนะด่าันที่ถ้าคุณอยากด่าระพิงแย้มริมฝีปากจนเห็นไรฟันลักษณะนั้นดูเหมือนอยากจะแยกเขี้ยวมากกว่ายิ้มจ้องมองดูร่างงามทางด้านข้างที่นั่งหลับตาพิงหินอยู่ที่คุณถ้าไม่คิดสนิดเดียวนะว่าเหตุการณ์เมื่อครู่นี้จะทำให้เชิดวุฒต้องพลอยหล่นลงไปแหลกกับคุณด้วยแะ ผมจะปล่อยให้คุณหล่นลงไปคนเดียวฉันรู้และฉันก็เข้าใจดีด้วยในข้อนี้รบพินนีคริสติน่าก็เฉยอมีอาตาเหมือนจะเข้าระวังหละ่ะนี่คริสในที่สุดความกระด้างของเขาก็จางลงอัดบุรีเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะขยี้ดับกับพื้นหินแล้วดีดกระเด็นหายแวบไปในหมู่หินน้อยใหญ่รอบตัวนี่คริสในที่สุดความกระด้างของเขาก็จางลงอัดบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขยี้ดับกับพื้นหินแล้วดีดกระเด็นหายแวบไปในหมู่หินน้อยใหญ่รอบตัวผมเสียใจนะถ้าผมจะรุนแรงอะไรกับคุณไมมั่งทั้งด้านกิริยาวาจา ทั้งๆ ท, ที่โดยแท้จริงแล้วคุณก็พยายามจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีของผมแล้วก็ยังคงเสี่ยงชีวิตไปเชือกลงไปช่วยผมไว้ตอนที่ผมตกเหิวรวมทั้งาปช่วยรักษาพยาบาลโน่ห <No. S 1> ล่อนสายหน้าช้าๆทั้งที่ยังหลับตาอยู่ระหว่างคุณกับฉันเราไม่ได้มีบุญคุณอะไรติดต่อกันหรอก ล้วแค่ต่างทางกันไปตามหน้าที่เท่านั้นคุณรู้ดีและฉันก็รู้ดีนี่คริสขอบอกอีกครั้งนะว่าผมเสียใจคุณต้องเข้าใจด้วยว่าบางขณะผมก็หงุดหงิดเ ก, กลี้ยกราดโดยไม่มีเหตุผลฮึแล้วคุณเข้าใจยังไงเข้าใจว่าฉันใกล้งมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโดยกล่าวชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพัน เพืีใจคุณต้องมาลำบากเหนื่อยยากช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอจริงล่ะคุณร้องเตือนมาโดยทางวิทยุไม่ฉันไต่ขึ้นไปทางด้านที่ฉันเห็นว่ามันน่าจะเป็นทางลับแล้วก็เดินขึ้นไปได้ง่ายๆแต่คําเตือนของคุณนะ่ะมันมาช้าไปยังไม่ทันสิ้นเสียงสั่งของคุณเลยอุปัตวาเหตุมันก็เกิดขึ้นมาสะก่อนเป็นนั้นว่าฉันผิดตลอดการในสายตาของคุณนั่นสิ ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมขอโทษลืมเนอะฉันก็ชาชินซะแล้ ว, ลวกับความเกลียวกราดเทียมเกรียมของคุณจอมพรานขยี้ปลายจมูกแล้วถอนใจยาวเสียงของเขาเป็นปกติลงแบงก็ไม่น่าจะให้ยาสะกดประเภททำให้ง่วงกับคุณเลยนะ ในเส้นทางที่เรากำลังจะปีนเขาบ่ายวันนี้มันทำให้ประสาทของคุณเชื่องช้ามึนงงอยากนอนมากกว่าอย่างอื่นคงเป็นความเห็นในทางแพทย์ของเคาลมะมั้งคงเห็นว่าฉันแหะกำลังจะบ้าพวกนั้นช่วยกันจับตัวฉันไว้เบรต่อยฉันจนหมดสติแล้วก็จับฉันฉีดยายตอนนั้นแต่ฉันยังรู้ตัวอยู่ฉันไม่ยอมให้เขาฉีดยา คุณกำลังจะบ้าแล้วเบนน่เหรอต่อยคุณจนหมดสติใช่ทุกคนรุมฉันคนเดียวรอนระเบิดโผล่ออกมาลืมตาสีฟ้าสว่างจ้าขึ้นมาทันทีไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละช่วยฉันจับฉันไว้แล้วฉันคนเดียวจะไปสู้อะไรไหวแล้วเบนก็ต่อยฉันใช่ฉันจำได้แล้วล่ะ เบลเป็นคนต่อยปลายคางฉันจนหลับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะในตอนนั้นถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นช่างฉันลืมแล้วไม่อยากจะคิดถึงมนันอีกพร้อมกับกล่าวเช่นนั้นคริสตินาก็พยุงกายขึ้นยืนอย่างโผเพชเฉยได้ปืนประจำมือก็ออกเดินผลักจากตำแหน่งนั้นไปอย่างง่ายๆไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิน้น เดินตามรอยพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วอาการของหล่อนเช่นนั้นทำให้รับพินต้องรีบลุกขึ้นโดยเร็วแล้วไต่ทางขึ้นไปติดๆมาทันกันที่โขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งอาการของคริสบ่งชัดว่าอิโดโรยจริงๆรับพินคว้าต้นแขนไว้ด้วยอุ้งมือแข็งแต่เต็มไปด้วยพลังของเขาช้าๆคริสไม่ต้องรีบนักหรอก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 ไ ป, ไปลยอยบอยฉันนี่อย่าววดดีคุณขณะนี้นะคุณอยู่ในความดูแลของผมเลยนะเอาละเราเดินไปด้วยกันหมอเบนสั่งผมไว้ก่อนแล้วเหมือนกันอะ่ะว่าผมทำหน้าที่คอยดูแลคุณไว้โดยเฉพาะในการปีนเขาครั้งนี้บิชหลอนพารุษสว่าออกมาคำหนึ่งเบาๆคุณอะไปคอยดูแลไม่นั่น ไม่ต้องมาดูแลฉันและต่อไปนี้ไม่ว่าฉันจะไปในอะไรจำไว้คุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันพูดยังไม่ทันจบประโยคหล่อนก็ถล่มขมำหน้าอีกพรานใหญ่คว้าเอาไว้อ้อมแขนของเขาพาดกระทบกลางซวงอกของหล่อนอย่างจังที่สุดจะปล่อยก็ไม่ได้เพราะหน้าหลอนทำท่าจะฟาดลงกับแง่หินที่ดักอยู่ จึงต้องวางไรเฟิ่หลงอีกครั้งแล้วใช้อีกมือหนึ่งช่วยจับตัวขึ้นมาคริสติน่าพยายามทรงตัวเกาะแง่หินไว้แน่นด้วยมืออันสันร ร, ริกหน้าขาวซีลลักษณะเหมือนจะเป็นลมอากาศจามนั้นแม้จะระอุอ้าวสักเพียงใดก็ตามแต่ตัวของหล่อนเย็นชืดเข้ามือแต่ที่หน้าผากและซอกคอ รู้สึกได้ทันทีในความผิดปกตินั้นเริ่มกระสับกระส่ายถามเร็วปรือคริสไหวไหมคุณไหวไหมไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันค่อยๆไต่าตามขึ้นไปเองหล่อนบอกเขาด้วยเสียงแหบแผ่วพยายามจะฝืนยิ้มสุดลงหายใจลึกๆ แต่แล้วก็ค่อยๆรูดลงไปฟุบอยู่ริมหินนั่นเองระพินตกใจประคองเบี่ยงเข้าไปบังเงาแดดแล้วตัดสินใจปลดวิทยุจากเอวขึ้นมาทันทีจากระพินครับจากระพินเรียกทุกคนด่วนครับได้ยินแล้วมีอะไรเหรอเสียงหัวหน้าคณะสวนตอบมาทันที ขอแรงคิดกับเชิดบุษซักสองคนนะครับขอให้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยช่วยกันประคองคริสขึ้นไปทีลําพังผมคนเดียวไม่ไหวครับพระไรเฟิล อ, อีกทั้งระบบบอกหมอเบนให้เตรียมเครื่องปฐาพยาบาลไว้ด้วยคริสไม่สบายครับรู้สึกว่าจะเป็นมากด้วยโอเคเราจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละดูคริสไว้ก่อนนะเสียงนายคิดและเชิดบุษ ดังออกมาแทบจะเป็นเวลาเดียวกันจากเครื่องวิทยุนั้นเพียงไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นคิดกระเชิดบุตรก็ปรากฏกายรับเหลี่ยมหินซึ่งขึ้นบังอยู่ระเกะระกะนั้นลงมาอย่างรีบร้อนทั้งสองมากันตัวเปล่าเปล่าเครื่องหลังและไรเฟิลประจํามือไม่ได้ติดมาด้วยเพื่อไม่ให้เกะกะไม่เพียงแต่สองคนนั่นเท่านั้นเกิดกระเซยอันเป็นพรานเด็กหนุ่มของเขาอีกสองคน ซึ่งเรียวแรงอยู่ในเกณฑ์แข็งขันก็วิ่งตามติดลงมาด้วยกลายเป็นสี่ชายชะกันไม่มีการสักถามอะไรกันอีกให้เสียเวลาทั้งสิ้นเมื่อต่างลงมาถึงตำแหน่งนั้นเห็นรับพินนั่งประคองต้นคอคริสติน่าผู้มีดวงตารีโรยตายอ่อนปวกเปียกอยู่ตัวเขาเองก็เหงื่อโซมเต็มหน้าทูช่างเคราะหร้ายใช่จริงๆวันนี้คริส เชิดบุตรครางออกมาเบาๆกับตัวเองด้วยความสงสารแล้วชายชะกันสี่คนกับหญิงสาวเพียงคนเดียวแม้พื้นภูมิประเทศจะเป็นเนินเขาอันเทชันขึ้นไปก็หาได้มีอุปสรรคใดๆไม่ร่างของคริสติน่าถูกช่วยกันหามหัวหามท้ายและประคองกลางลำตัวแบกลิ้วขึ้นไปอย่างรวดเร็วรับินโบกมือให้นาล่วงหน้าขึ้นไปก่อน ตัวเขาเองก้มลงเก็บไรเฟิรของตนและ M16 มของคริสติน่ามาสะพายไว้จากนั้นก็ตายตามหลังขึ้นมาอย่างอิดโรยกระปลกกระเปี้ยเช่นกันเมื่อพลานใหญ่ขึ้นมาถึงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่เขากำหนดสั่งไว้นั่นเองว่าให้บุญคำนำพวกลูกหาบมาพักรอคอยอยู่ก่อนเป็นเวิร์ใต้หน้าผาสูงตัดชันลิปลิ่วขึ้นไปเบื้องบน นาบริเวณตีนเชิงนั้นเป็นพื้นราบและเว้าเข้าไปเหมือนปากถ้ากว้างขวางพอที่จะอาศัยพักชั่วคราวได้แต่ก็แห้งแล้งไปด้วยก้อนหินแทบจะหาพืชพันธุ์ใดๆไม่พบเลยตำแหน่งนี้แหละที่เป็นความตั้งใจเดิมของระพินจะให้มารวมตัวหยุดพักกันชั่วคราวก่อนที่จะไต่หน้าผาชันกันต่อไปเพื่อตัดขึ้นสู่เบื้องสูงของเขาใหญ่ด้านบน ทุกคนรอคอยกันอยู่เป็นกลุ่มในเงาร่มของชะง่อนหินบางและร่างของคริสติน่าได้ถูกนำไปวางราบลงกับพื้นที่ปูไว้ด้วยผ้าพลาสติกหมอเบลแลวหัวหน้าคณะกำลังสาลวนอยู่กับการตรวจสอบอาการเครื่องเวชภัณฑ์วางอยู่ข้างๆพร้อมแล้วเสียงพูดกันซุบซิบเร็วปรือ้อและกำลังวุ่นอยู่กับงานปถมพยาบาลดรสเตลีตรวจจับชีพจร เบนใช้หูฟังของแพทย์กดไปตามหน้าอกโดยเปิดดุมแวกเสื้อออกเท่าที่จำเป็นแล้วก็วัดระดับความดันของโลหิตทั้งหมดประสานงานกันอย่างกูลีกูจอคล่วคล่องยิ่งระพินเดินหิ้วปืนเข้ามาถึงแล้วยืนเช็ดเหนือมองดูอยู่ร่างของคริสติน่าหงายเหยียดยาวอยู่กับพื้นมีแจ็กเก็ตหนังพับสองทบรองผ้าสีสาอยู่ ในตาของหล่อนรีรีหลับหลับลงหายใจอ่อนระทวยนี่คุณห้าหกนาทีที่พวกเราผลักขึ้นมาก่อนคริสอยู่กับคุณครั้งแรกก็ชวนให้ขึ้นมาด้วยกันแล้วแหะแต่เขาบอกว่าขอพักสักครู่นะึงพวกเราเห็นว่าคุณยังนั่งอยู่ด้วยก็เลยขึ้นมาก่อนนั่นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ถามมาเร็ว ระพิญญหย่อนกายลงนั่งหมดแรงเหยียดขาออกไปวางปืนทั้งสองกระบอกลงที่แรกผมก็ไม่รู้นะว่ายังเหลือคริสนั่งอยู่ที่นั่นอีกคนเงยหน้าขึ้นถึงได้พบสังเกตดูว่าจังง่วงแล้วก็อ่อนเพลียผิดสังเกตไปมากก็เข้าใจว่าจะเกิดจดากการผจนหนักในวันนี้ประกอบกับที่หมอเบนให้ยาระงับประสาทไว้ด้วยก็เลยอาจจะทาให้ง่วงจัด เขาบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงแหดเหือดป้ายแขนเสือ้อเช็ดเหงื่อที่กำลังจะย้อยเข้าตาอีกครั้งแล้วเอ็นกายพิงหินด้านหลังเป่าลมยาวออกจากปากลงไปในอกเสือ้อผมชวนขึ้นมาบนนี้เพื่อจะสมทบกับพวกเราซะโดยเร็วพยายามประคองไว้แต่คริสไม่ ย, ยอมจะเดินขึ้นมารายเกือบจะหน้าฟาดหิน ผมเองคงไปวิทยุบอกขึ้นมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมเป็นใน ฟ, ฟาดอะไรหรือว่าระหว่างนั้นอะไรกับต่อยแต่ไม่พบแล้วทารเบถามมาเร็วปรือรับรนอกจากอาการทีผมว่าเป็นความผิดของพวกคุณนะโดยเฉพาะหมอเบน่ะที่ยาระงับประสาทยอย่างแรงกับคริสทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องปีนเขาหนักแล้วก็เสี่ยงอันตรายที่สุดในบ่ายวันนี้ เอาละเอาละฉันยอมรับผิดในข้อนั้นแม่ผมแดงโบกมือบอกมาห้วนหวนแต่เราก็มีเหตุผลของรักในขณะที่ให้ยาคริส ต, ตอนนั้นน่ะตามปกติแล้วคริสันเป็นคนแข็งแรงที่สู้อยู่ไอเรื่องบุก ป, ป่าฝ่าดงปีนเขานะ่ะเขาเคล่องกว่าทุกคนในคณะของพวกเราขอรับว่าเป็นพระฤทธยาที่ฉันให้ไว้อะทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเมื่อครู่นี้ แล้วก็หมดแรงที่จะเดินต่อมีอาการค่ายบ้างเล็กน้อยเอาเดี๋ยวฉัน จ, จ, ดจัดการเองให้เวลาคริสนอนพักหลับสักสามสี่ชั่วโมงแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยขึ้นมาเองคุณมีอะไรขัดข้องไหมที่เขาจะต้องพักก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่ไหวอะจอมพรันเสยปีกหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางสีสั์แล้วเปิดกระติกน้าออกจิบนิดนึง ทางด้านผมมันไม่มีอะไรขัดข้องเราคุณขออย่างเดียวอะ่ะให้พวกคุณปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันอย่าว่าแต่คนป่วยหรือคนหมดแรงง่วงนอนอยู่เลยดูโนโนเขาบุยปากขึ้นไปบนหน้าผาชังเงือมเหนือสีสักทุกคนเราจะต้องไต่หน้าผานี่ขึ้นไปในสภาพของนักปีนขาอาชีพต่อให้คนกําลังดีแข็งแรงสักขนาดไหนก็ตาม มีหวังหล่นลงมาได้ทุกขณะหากพลาดแม้แต่นิดเดียวสังเกตดูพวกคุณทุกคนก็เหนื่อยกันเหลือเกินละถ้าจำเปน็นจริงๆเราอาจต้องยอมเสียเวลาอีกหนึ่งคืนยึดที่พักกันตรงนี้แหละลำบากหน่อยแต่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันทุกคนนิ่งฟังเขาแล้วเบนก็หันไปจัดการกับคริสตินา่าโดยไม่รอช้ายาฉีด บ, บางชนิดปักเข้าไปสตลี คและเชิดวุฒมองมาที่เขาเป็นตาเดียวตกลงระพินเราเห็นจะต้องยอมเสียเวลากันอยู่ที่นี่ตลอดคืนนี่แล้วกว่าคริสจะฟื้นตัวก็อีกหลายชั่วโมงประเดี๋ยวเขาจะดับเครื่องสนิทพักผ่อนไปเลยแล้วกว่าจะตื่นขึ้นมาก็คงใกล้ค่ำซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะเสี่ยงปีนเขาแล้วเพราะฉะนั้นจะยังไงเสีย ตามคืบหน้าต่อก็ต้องเป็นพรุ่งนี้อยู่ดีคุณก็น่าเสียดายนะที่วันนี้เราใช้เวลาเดินทางกันจริ ง, รงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่มันช่วยไม่ได้เลยมันเหตุการณ์สุดวิสัยแล้วจะไม่โทษแร้ ว, ว่าเป็นความผิดของใครทั้งสิน้นคุณเองก็เกิดจะถูกไฟในทุ่งข้างล่างนะ่ะเผาทั้งเป็นคริสก็เกือบตกลงตกเขาไปแหลก แล้วก็ไม่สบายอยู่นี่ทั้งหมดมันก็ล้วนเป็นอุปทภคเหตุทั้งนั้นแหละแล้วว่าอันที่จริงพวกเราก็ล้วนสมัครสมอมต่อเหตุการณ์กันทั้งนั้นในฐานะหัวหน้ า, นาคณะคําสั่งของผมก็คือพักระพยักหน้าดีดนิ้วไปทางฟาร์มที่เมืองและลูกหาบทั้งหลายออกคําสั่งให้เตรียมจัดที่พักทันทีแล้วตัวเองก็ถลายยืดยาวลงไปอีก นอนราบลง ก, กับพื้นศีรษะพาดแง่หินตรงตำแหน่งนั้นรูปปีกหมวกลงมาปิดหน้ามือทั้งสองประสานกันวางอยู่บน อ, อกทำท่าจะหลับไปอย่างง่ายง่ายเหมือนกันคริสตินาสงบไปแล้วหล่อนคงถูกสะกดให้หลับไปในบัดนั้นมีเสียงพึมพำสนทนาหารือของอเมริกันทั้งสามแผ่วเบา มีเสียงการเคลื่อนไหวเตรียมจัดที่พักของพวกลูกหแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งเข้ามานั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆครับคุณเองละ่ะไม่สบายหรือปะเสียงถาม เ, าเบาๆเป็นเสียงหมอเบนนั่นเองไม่เพียงแต่ถานหล่อนยังเลิกหมวกที่รูปหน้าเขาขึ้นเพื่อให้เห็นหน้ารพินตอเบเรียบๆ เ, เบาๆ แต่ปราศจากหางเสียงว่างไม่ขอบคุณอย่า ก, กังวลกับผมเลยที่คุณคุณโกรธอพวกเราอีกหรือเปล่านี่เขาโบกมือปัดผ่านหน้าตัวเองอย่างรำคาญโนแล้วก็ลืมตาขึ้นมองหน้าหมอเบลผู้กำลังก้มลงมามองใกล้ๆ นี่คุณถ้าคริสตกเขาตายในวันนี้นะขอรู้ด้วยว่าคุณเป็นต้นเหตุไม่ควรใช้ยาที่ทำให้ง่วงนะถ้าคริสตกเขาตายในวันนี้ฉันว่าคุณน่ะแหละเป็นต้นเหตุมากกว่าหลันย้อนคำเขาอย่างฉับพลันเอามือตบมาที่รวงอกเขาค่อนข้างแรงคุณรู้ป่ะ ขณะที่เรารอคุณกันอยู่ที่เชิงเขาเหมือนทุ่งหญ้าคุณไม่ได้สัญญาณอะไรให้เรารู้เลยว่าคุณอรอดปลอดภัยแลวก็ไปดักหน้ารอคอยเราอยู่ก่อนแล้วแล้วตอนมาพบกันน่ะจาได้ไหมคริสบอกว่าง่วงนอนแต่คุณน่ะเป็นคนไปเร่งร้าวเขาเองซ้ำคุยอีกว่าถ้านอนอยู่ตรงนั้นเขาจะถูกทิ้งคริสตูกพวกเราภายใต้การเข้ม ง, งวดเร่งร้าวของคุณน่ะ บังคับไปไต่เขากันขึ้นมาโดยไม่เปิดโอกาสให้หยุดเลยเอาละเอาละเป็นความผิดของผมแล้วกันจะได้มีจำเลยซะทีในเหตุการณ์วันนี้ผมเป็นคนเผาทุงา่งหญ้าเป็นคนทําให้ทุกคนเกือบถูกไฟคลอกตายแล้วก็เป็นคนทําให้คริสต์ต้องเกือบตกเขาจนกระทั่งตายมาเป็นคนไม่สบายอยู่ตอนนี้รับผินผู้เสียงประชาต รูปปีกหมวกบังหน้าลงตามเดิมการุณาไปหงางผมได้แล้วเบลไปเลยมาหาโคตรมาหาหินไม่มีใครเกินคนชื่อระพินทไทยวันในโลกนี้คริสเคยบอกฉันแล้วแต่ฉันไม่เชื่ออิสเบนกระซิบลอดไรฟันออกมาลิฟมีอลโลน d o n 't you hear me' รพินตะหวาดลั่นออกมาบุชิดเบลสบดลุกขึ้นแล้วใช้ปลายบูชของหลอนไปพลักก็ไปที่หน้าแข้งครับก่อนที่จะค้อนปันหลับปลาเหลือเดินสมบัดหน้ามาทันทีรพินนอนเฉย อ, อยู่เช่นนั้นนี่เธอไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขา หัวหน้าคณะถามเสียงต่ำๆเมื่อเบลเดินหน้างอมาสุดตัวลงกระแทกกายนั่งรวมกลุ่มฮึคนคนนั้นหลอนชี้มือไปที่ร่างแกลงที่นอนสงบนิ่งอยู่มุมหนึ่งก็เป็นอะไรไปอะนะฉันจะไม่รักษาเขนละบอกให้ทุกคนรู้ไว้ด้วย เธอบ้าไปอเองที่ไปตอแยแยคนที่มีอาการของโรคกิดประสาทอย่างแรงอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาสิรพินอภิการทางใจนับตั้งแต่วันแรกที่เขารู้ตัวจะต้องเดินทางมากับพวกเราแล้วอาการชนิดนั้นมันก็เพิ่มมา ก, กันทุกทีนับวันเวลาที่ผ่านไปหัวหน้าคณะของหลอนพูดแผ่วเบาอย่างคนที่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุด เฮ้ยนี่ทำไมเดินต่อกอนอนพักกันดีกว่านะฉันก็แย่มันกันอ่ะวันนี้นายคิดว่าเอ็นหลังลงพร้อมทั้งฉุดแขนเบลให้นอนลงข้างๆด้วยแต่ลอนปัดมือหันไปสะบดดาอย่างงุดหงิดแล้วคลานเข้าไปดูอาการของเพื่อนสาวซึ่งบัดนี้นอนหลับไปแล้วอย่างชนิดที่เรียกว่าฟิวขาดเชิญบุษยอยากจะเลียบเพียงเข้าไปหาโอกาสคุยอะไรกับพรานใหญ่ด้วยก็เลยพลอยไม่กล้า เขาเองก็ลงนอนเอาแรงเหมือนกันเพราะเหนื่อยและตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าคนอื่นตะกีเริ่มเข้ากำวันลมบนพัดโชยกระทบแงหินดังดีวๆวิวตะวันโรยแสงอ่อนลงนกเขาใหญ่ตัวหนึง่งจากยอดของหมู่โขดหินแห่งใดแห่งหนึง่ง ใกลหรือไกลเพียงใดไม่ทราบขันคูมาจูหูฮุกกรูเขาคูคร่งครวนจูหูฮุกกรูเจ้าร่างนวนโศวส่วนศพสัเขาเจ้าเอ๋อย่าเลยร้องทํานอนสร้า ฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปวางสูดง่สายหวานช่วยบอกนายหญิงของแกด้วยเถอะว่าฉันยังรักเธออยู่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือสิ่ลมหัยใจไปแล้ว้นยามนี้ก็คิดถือ ถึงใจจะขาดริมฝีปากของรพินขมุกขมิดเหมือนจะลำมือออกมากับตนเองตกลงครับผู้กองตกลงผมจะเอาคำของผู้กองประโยคนี้ฝากลงไปบอกความแก่นายหญิงให้ครับ มีเสียงสนองตอบมาในโสตส่วนลึกของเขาหนึ่งร้อยสี่ฝากลงพลิ้วพรมโชยผ่านฝากทานพรึกไพรไม้ป่าช่วยกล่องวิญญาณช่วยปลอบที่วามทาวินหาเธอ ดารินวราริตรู้สึกกายเปิดเปลือกตาสว่างโพลงขึ้นพี่ชายสองคนและเพื่อนชายอีกหนึ่งกำลังรายล้อมอยู่แล้วทุกคนจ้องมาเป็นตาเดียวเชษฐากำลังเอาสำลีมีกลิ่นของแอมโมเนียแกว่งผ่านจมูกของหล่อนเงซ้ยดารินหลุดปากอุทานออกมาอย่างละล่ำละละับ เขาไปไหนแล้วอก็เมื่อกี้เขานั่งอยู่กันข้างน้อยนี่เฉถาอนุชาชัยยันมองหน้ากันอยู่ไปมาพี่ชายกลางชุบ ป, ปากเบาๆอืออะไรกันแงใสที่ไหนน้อยนี่จะเพอใหญ่ลนะเดินขึ้นจากลำห้วยมานั่งรอพวกลูกหาบอยู่ตรงนี้อยู่ๆตุ๊กตะโกนเรียกชื่อพ่อยอดชายนารพินขึ้นมาแทบปาแตกแล้วก็ล้มหววเป็นลมไป พอแก้ไขฟื้นขึ้นมาได้ดันถามว่าแงซายอยู่ที่ไหนดารินวราฤทธิ์ทรวดพลาดลุกขึ้นนั่งทันทีท่ามกลางราวป่าลึกซึ่งพักพวกทุกคนและขบวนลูกหาบทั้งหมดมารายล้อมรอบตัวอยู่หล่อนเอามือกุมสีสัตว์เอ๊ะนิ่งน้อยไปเป็นลมไปเหรอคะเนี่ยเธอเหนื่อยมากน้อยหมดแรงล้มไปเฉยๆเลยละ ชา ย, ยันบอกราช ก, กุสกุลสาวขามวดคิว้วพยายามลำดับภาพสมบัติหน้าอยู่สองสามครั้งและยันกายลุกขึ้นยืนโดยเร็วพี่ชายทั้งสองเข้ามาประค อ, ไองไวป็นไงรู้สึกดียังตอนนี้น้อยนั่งหมดสติไปนานเท่าไหร่คะเนี่ยหล่อนถามพร้อมกับยิ้มจิตจืดเหลือบดูนาฬิกาข้อมือ ก็ไม่นานหรอกสักท่าหกนาทีมั้งพวกเราแกะรอยระพินแยกทางกับพวกลูกหาบมาดักรอกันอยู่ตรงนี้อยู่ๆน้อยก็เ ป, ป็นลมพับไปายินนำลูกหาบมาถึงที่นี่พอดีดารินกับพริตตาแล้วฝืนหัวเราะหรือคะไม่ยักรู้ตัวเลยตอนจะลืมตาขึ้นมานี่น้อยเห็นแง่ทรายมันนั่งอยู่ที่ขอนไม้ไใกล้ๆนั่น แล้วก็ร้องเพลงอะไรให้ฟังแต่พอลืมตาก็เห็นพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชายันกำลังจ้องตาเปลงมาภาพมันหลอนมันเกิดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้น้อยสบายดีแล้วคะ่ะแล้วพวกลูกหาบก็มาถึงพอดีงั้นก็เดินทางต่อเะคะ่ะกล่าวจบ ห่อนก็ก้มลงไปหยิบไรเฟิลประจำมือของตนที่วางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาแงามลูกเลื่อนเปิดดูกระสุนในรางเพลิงอากับกิริยาแข็งแกร่งว่องไวเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นการฝืนบ้างก็ตามนั้นก็ไปกันช้าๆตามสบายก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบไรนักนะเชิดเท้าบอกขึ้นรวมๆแล้วกดแขนชัยยันผู้กาลังจะอ้าปากพูดอะไรเชิงทักท้วงไว บังคับไปสงบปากสงบคำซะก่อนพระรูนิสัยของน้องสาวดีอยู่ว่าขืนใครไปทวงหรือแสดงความห่วงใยอะไรหร่อนในเรื่องนี้หล่อนจะยิ่งรั้นมุมาณนะโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิน้นซึ่งก็จะมีแต่ผลร้ายมากกว่าผลดีลง่าจับทิศทางรูปหมดทุกฝีก้าวย่างของรบพินแบบนี้แล้วคงไม่อยากหรอกไปไปเราไปพร้อมๆกันลูกหากเป็นขบวนนี่แหละ ไม่ต้องแยกกันอีกแล้วน้อยก็เหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาสังเกตตรวจ ด, ดูอะไรเสียเวลาแล้วท่านชดกนันอินอยู่ทั้งสองคนน่ะปล่อยเป็นหน้าที่เขาดีกว่าเธอก็ลงมาเดินกับพี่และชั ย, ยันตล่าวจบพี่ชายใหญ่ก็เข้ามาประคองไหลไว้การเดินทางเริ่มต้นอีกแล้วทางกลางป่าทึบอันเต็งไปได้วยไออับของใบไม้ที่ทับถมหมักหมม และกลิ่นว่านอันไม่น่าพิษสมัยโชยกลุ่นน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นโดยการรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วนั้นอินลงไปคุมอยู่ท้ายขบวนเบื้องหน้าพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริษแกะรอยนำต่อไปแต่ไม่ได้ทิ้งระยะห่างกันนะักสามคนเชธาดารินและชยันตามหลังส่วนตรงกลางก็เป็นขบวนของลูกหาก ที่มีขยินคอยเป็นคนนำนวยการคุ้มกันอย่างวางใจได้อีกคนหนึ่งการติดต่อระหว่างอนุชาผู้เดินหน้าและหนานอินผู้สังเกตอะไรไปตลอดทางรังท้ายใช้วิทยุซึ่งจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเทฐาและชายยันเดินขนาบดารินไว้ใจกลางคอยสังเกตอาการหลอนไว้ทุกขณะแต่ก็เห็นว่าน้องสาวเล็กบุกบันต่อไปได้อย่างทรหดด้วยใจสู้ ไม่มีท่าทีว่าจะล้มพับลงอีกแต่ก็เงียบขึ้นและซึมไปรอยที่เคยผ่านไปล่วงหน้าก่อนแล้วของคณะอเมริกันซึ่งมีจำนวนคนเป็นกองคาราวานใหญ่อย่าว่าแต่มือขนาดอดีตพรานชดหรือนานอินเลยต่อให้นักเดินป่ามือใหม่สมัครเล่นก็พอจะเห็นได้ชัดสำหรับภูมิประเทศตอนนี้อีกประการหนึ่งก็เป็นทางเดินกันไปอย่างไม่เฉลียวคิดว่าใครจะตามมา และไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนกลบร่องรอยใดๆทั้งสิน้นเศษวัสดุต่างๆที่ทิ้งไว้เป็นระยะๆ ร, ะะรอยฟันบากกิ่งและลำต้นไม้โดยพรานพื้นเมืองของระพินจึงปรากฏฟ้องให้เห็นจากแจงแม้จะมีเส้นทางด่านแยกไปได้หลายสายมากมายก็ตามเสียงอนุชาผู้เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางด่านระหว่างพงรกชัดวิทยุบอกมาว่า ทุกคนหิวกันยังครับสาหรั บ, บอาหารมื้อกลางวันน่ะถ้ายังพอทนไหวผมอยากจะให้พ้นบริเวณป่ารกทึกบเนี่ยสะก่อนนะครับอีกครู่เราจะไต่ขึ้นบรรจบกระด่านช้างเรียบไปตามไหล่เขาบนนั้นหมอที่จะหยุดพักทานอาหารกันมากกว่าขอเวลาอีกไม่เกินสี่สิบห้านาทีเท่านั้นล่ะครับไม่ต้องห่วงอกลางเดินต่อไปเถอะบริเวณนี้มันไม่เหมาะหรอก ดูอากาศมันจะเป็นพิษยังไงพี่กนเอาให้ถึงที่โปร่งโล่งซะ ก, ก่อนแล้วกันค่อยพักเขตถาต่อไป